เที่ยงแล้วเราก็รู้ว่าในที่สุดนะมันก็มืดกลางค่ากลางคืนมาเยินอีกครั้งหนึ่งเรารู้ว่าเมื่อมีเ <c oughs> ช้าแล้วนะมันก็จบลงด้วยกลางคืนแต่ที่เราไม่รู้ก็คือว่าเราจะอยู่จนถึ ง, ถง ค่ำคืนนี้หรือเปล่าถ้าเราถามตัวเรองจริงๆเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจหรอกนะว่าคืนนี้เราจะยังมีลมหายใจอยู่หรือเปล่าแต่ว่าในใจส่วนลึกของเราอาจจะไม่ยอมรับก็จะยังมีความมั่นใจว่าเดี๋ยวค่ำคืนนี้ เราจะคุยโทรศัพท์ถึงพ่อแม่ถึงลูกหรือว่าทำการงานที่ยังค้างค า, งายอยู่แล้วคนเราทุกคนเนี่ยเราก็รู้กันทั้งนั้นนะวา่าชีวิตเราเนี่ยมันมีที่สุดเหมือนมีเช้าหรือกลางวันแล้วก็ต้องมีกลางคืนแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ในส่วนลึกนั้นเราไม่เชื่อว่าชีวิตเราจะจบลงในที่สุดมันก็เหมือนกับที่เราเชื่อว่าชีวิตเราจะมีวันนี้แล้วก็มีพรุ่งนี้เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้มาสามสิบปีสี่สิบปีห้าสิบปีตบสิบปีบางคนมองว่าเจ็ดสิบปีแล้วตื่นเช้าขึ้นมา ปีแล้วปีเล่านะที่เราจะอยู่จนถึงค่าคืนแล้วก็ตื่นมาพบวันใหม่เราจะเชื่อว่าผ่านพนวันนี้ไปแล้วนี่ก็จะมีวันใหม่สำหรับเราคือวันพรุ่งนี้แต่ก็อย่างที่พระพุทธรูปที่เบสนะกล่าวไว้ไม่มีใครรู้หรอกนะว่าพรุ่งนี้หรือชาติหน้าอะไรจะมาก่อนอะไรกัน ก็เชื่อว่าหรือคิดเอาว่าต้องมีพุ่งนี้ก่อนนะถึงจะมีชาติหน้าแตในความเป็นจริงก็คือว่าหลายคนในโลกนี้นะในวันนี้เนะี่ยวันนี้เป็นวันสุดท้ายของเขาต้นจากวันนี้ไปก็ชาติหน้าเลยนะมีคนประมาณแสนห้าหมื่นคนในโลกนี้นะที่วันนี้คือวันสุดท้ายของเขา ท่านราับจำเพาะในเมืองไทยก็ประมาณพันหกร้อยคนที่วันนี้เป็นวันสุดท้ายของเขาพจากวันนี้ไปก็ชาญหน้าเลยไม่มีวันพรุ่งนี้แล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเราเนี่ยเป็นหนึ่งในพันถลูแสนห้านืรเปล่าลวความตายเนี่ยเหมือนเป็นสิ่งที่แน่นอนยิ่งกว่าอะไรอื่นรวต้ั้งความตายของเราด้วย คนสนใจไม่อยากยอมรับไม่อยากนึกถึงเรื่องนี้เขาก็เลยพยายามไม่คิดถึงมันแต่ว่าในส่วนเรื่องของติดใจมันก็จะมีความคิดหรือความระลึกได้ว่าชีวิตเรานี่มนไม่เที่ยงยังไงก็ต้องตายแต่เมื่อไม่อยากยอมรับความจริงข้อนี้นก็เลยย้ำกลบ พยายลืมพยายมไม่นึกถึงในเรการทำตัวให้วุ่นทำใจไม่ให้ว่างว่าคิดว่าถ้าตัววุ่นใจไม่ว่างแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ต้องคิดถึงเรื่องนี้เวลาใครมาพูดถึงเรื่องความตายก็ไม่อยากได้ยินถ้าเป็นลูกเป็นหลานก็ก็เอ็ดเขาดุเขาไม่อยากพูด เดี๋ยวนี้เวลาเราจะพูดเรื่องความตายเราจะเลี่ยงไม่ใช้คำว่าตายแต่พยายามสรรหาคำที่มันดูรื่นหูเช่นหมดลมล่วงลับจากไปไม่อยู่แล้วจากไปแล้วเสียสลับแล้ว มันเดีก็ใช้คำ ว, ว่าวายชนไปดีแล้วไปสบายแล้วถ้าเรากลัวความตายขณะที่เรียกว่าจะอิงคำว่าความตายก็ไม่ได้แล้วเราก็เลยอยู่อย่างคนลืมตายซึ่งเป็นอันตรายมากนะเพราะว่า พอความตายมาถึงก็จะไม่รู้ตัวว่าก็จะไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรทำอะไรไม่ถูกตื่นตหนกตกใจทุรนทุรายแล้วก็ตายด้วยความทุกข์ทรมานและถ้าเชื่อมีพบหน้าชาตหน้าก็ก็คงจะไปไม่ดีคนเราเนี่ยเมื่อรู้ว่าเราจะต้องตายแน่นอน และยิ่งไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไรเนี่ยยิ่งต้องจําเป็นต้องเตรียมพร้อมรับมือความตายแลการเตรียมตัวรับมือความตายเนี่ยมันเป็นวิธีของผู้ที่มีปัญญาเพราะอะไรก็ตามที่เราต้องเจอหลีกยังไม่พ้นการเตรียมตัว รำมือกับมันเนี่ยเป็นวิธีที่ดีที่สุดดีกว่าหันหลังให้มันหรือว่าลอกไป ว, วันวันว่ามันไม่เกิดขึ้นหรอกแปลกนะเวลาเวลาเราจะไปเที่ยวแม้เป็นประเทศที่สุขสบายมีความปลอดภัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับอย่างแน่นอนเช่นไปญี่ปุน่นไปยุโรปไปอเมริกาไปเกียวโ ต, โตนะลอนดอนนิวยอร์กเอลเอทั้งที่เรารู้ว่าไปที่นั่นแล้วสบายแน่แต่เรายังต้องเตรียมเนี่ย เราต้องเซิร c h ข้อมูลหาข้อมูลทาง Google ว่า <c oughs> จะไปพักที่ไหนดีถ้าเป็นโรงแรมมันกี่ดาวเดี๋ยวนี้แม้แต่จะไปพักตามบ้านคนน่ะ Airbnb นี่ก็ต้องดูว่ามันกี่ดาวด้วยไปถึงแล้วนี่จะไปเที่ยวที่ไหนบางทีก็ หาข้อมูลก็ทั้งว่ากลางวันและกลางคืนจะไปกินข้าวที่ไหน ม, มันมี рейт ติ้งดีไหมรีวิวดีหรือเปล่าไปแล้วนี่จะไปเที่ยวที่ไหนจะเดินทางยังไรเราค้นหมดเพื่อให้แน่ใจว่าไปแล้วนี่สบายทางที่มันก็สบายอยู่แล้ว เรานึกไม่ออกนะทำใจไม่ได้นะถ้าเกิดว่าไปถึงประเทศนั้นไปถึงเมืองนั้นโดยที่ไม่ได้เตรียมอะไรเลยไม่ได้จองโรงแรมที่พักไม่ได้เตรียมหรือหาข้อมูลว่าจะไปไหนนะสมมติว่าไปถึงสนามบินแล้วปรากฏว่ายูงไม่ได้เตรียมอะไรสักอย่างเลยคงตื่นตะหนกมาก ท่านาที่มีเงินในกระเป๋าเยอนะแยะเราคงไม่ทำอย่างนั้นนะถ้าเราไปเที่ยวต่างประเทศแม้ว่าจะเป็นประเทศที่สบายไม่ใช่ออฟริกานะไม่ใช่อินเดียนอกจากนั้นนะก่อนจะไปก็ต้องเตรียมแพ็กของอย่างดีบางทีแพ็คนี่เตรียมเป็นเดือนเลยนะเวลาไปเที่ยวเราทำขนาดนั้นนะ ท, ทั้งที่รู้ว่าไปเนี่ยยังไงก็ออกปลอดภัยแนะแต่กับความตายหรือว่าชีวิตที่ปลายทางเนี่ยคนส่วนใหญ่ไม่เตรียมเลยทั้งที่ที่รู้ทั้งที่ไม่รู้มันคืออะไรข้างหน้าอย่างน้อยลอนดอน โ, โตเกียวนะนิวยอร์กนี่เรารู้นะ <c oughs> พอจะวาดภาพได้มันคืออะไรและเราเชื่อว่ามันสบายเรายัง เตรียมกันอย่างเอาจริงเอาจังแต่ชีวิตที่ปลายทางนี้เราไม่รู้เลยว่ามันเป็นยังไงรู้อย่างเดียวว่ามันไปลำบากไม่สบายแน่กว่าจะตายเนี่ยคงจะต้องเจ็บปวดนะอาจจะมีทุกขเวทนามีอะไรต่างๆที่คาดไม่ถึงเกิดขึ้นแปลกเนาะ เรากลับไม่เตรียมเลยทั้งที่เป็นที่ที่เราไม่รู้จักเป็นสภาว่าที่เราไม่เคยประสบอันนี้มันแสดงความเครีาและความประมาทนะมันจะดีกว่านะยิ่งเราไม่รู้ว่าข้างหน้าหรือปรโลโร่เนี่ยคืออะไรรู้แต่เพียงว่ามันไม่สะดวกสบาย มันลำบากแนะ่ยิ่งต้องเตรียมก็ไปใหญ่ต้องเตรียมยิ่งกว่าไปเที่ยวไปสบายซิเพราะนั้นง่ายหนึ่งเวลาห้าวันนะที่นี่เนี่ยมันก็ถือว่าไม่มากเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ดีนะสำหรับการเริ่มต้น ความตายเนี่ยนะหรือว่าช่วงเวลาใกล้ตายเนี่ยอาจะมาเปรียบเหมือนกับการสอบไล่นะปกติเวลาพึงสอบไล่เนี่ยเราก็หมายถึงการเรียนนะเรียนจบก็ต้องมีการสอบไปเรียนวิชาแล้วก็ตายก็ต้องมีการสอบความตายนี่ก็เป็นการสอบไล่นะ ของวิชาที่เรียกว่าวิชาชีวิตไม่ว่าจะเรียนจะเข้าเรียนเข้ามหาทลัยหรือไมนะ่ทุกคนเนี่ยเรียกว่ามีหน้าที่ต้องเรียนวิชานี้นะเรียกว่าตั้งแต่รู้ความได้ต้องเรียนวิชาจะคนส่วนใหญ่หรือคนจำนวนไม่น้อ ย, อยไม่รู้นะไม่คิดนะว่ามีวิชานี้ด้วย แต่จะมีหรือไม่มีเนี่ยธรรมชาติไม่รับรู้ด้วยนะแต่จะรู้ว่ามีหรือไม่มีธรรมชาติไม่รับรู้ด้วยถึงเวลาเนี่ยนะเมื่อหมดอายุขไขนะมันก็ต้องมีการสอบไล่สอบไล่ของวิชาชีวิตและมันเป็นการสอบไล่จริงๆนะ เพราะวา่าสอบไม่ได้ก็คือสอบตกสอบตกเนี่ยตกจริงๆนะคื อ, คอตกอบายไอ้สอบไรในโรงเรียนในหมหาลัยเนี่ยหรือที่เราผ่านมาเนี่ยสอบตกเนี่ยมันไม่ตกจริงนะมันแค่ซ้ำชันนะและแถมมีการแก้ตัวได้ด้วยมีการสอบซ่อม มีการสอบครั้งแล้วครั้งเล่าได้ไม่ว่าจะสอบสัมภาษณ์สอบเข้ามหาทยาลัยสอบในติบัณฑิตสอบพื้นวิชากาษาสอบก ร, ริญญาเกาสอบตกก็ก็แค่ซ้าชั้นหรืออูที่เดิมแล้วก็สอบใหม่แก้ตัวแก้มือได้แต่ว่าสอบไล่ในวิชาชีวิตนี้มันแก้ตัวไม่ได้นะ อกก็ตกเลยถ้าได้ก็ได้เลยพี่หญิงกว่านั้นนะสอบรายวิชาชีวิตเนี่ยมไม่มีการประกาศล่วงหน้านะไม่มีการบอกมีการแจ้งว่าจะสอบวันนี้วันนี้นะไม่มีสอบในโรงเรียนสอบในมหาลัยนะสอบสัมภาษณ์สอบสมัครงานเพราะมีการประกาศล่วงหน้าทั้งนั้น ซึ่งมันก็ทำให้เรามีเวลาที่จะวางแผนมีเวลาที่จะลั่นลาก่อนสอบสมัยตมาเรียนอยู่ม .2-5 ก็รู้เลยนะสอบหมาทไลายเนี่ยสอบเอนทรา น, นี่นะปลายมีนาต้นเมษาตลอดทั้งปีแล้วก็ไม่ได้ไม่ไเลี้ยงสือทำกิจกรรมลูกเดียวเลยพอถึงเดือนธันวาเนี่ย ถิงข้นมาตั้งหลักเตียวกันแบบพายุบุกแคม100หนึ่งร้อยวันสอบผ่านสอบผ่านเพราะว่าเรารู้นะว่าจะสอบเมื่อไหร่บอกมันก็ไปลัานลายอยู่เป็นเป็นค่อนปีนะถึงเดือนม ก, ก ร, ราเก็ค่อยนะเก็บตัวเข้าสอบสอบได้แต่ทำแบบนี้ก็การสอบระดบวิชาช้นไม่ได้นะ ประมาดมากเล ว, ว่าเอออายุเจ็ดสิบใคเตรียมตัวแล้วกันบางคนอายุเจ็ดสิบแล้วก็ยังคิดว่าเ อ, อ้อยเดี๋ยวแปดสิบใเตรียมตัวแล้วกันทำนั้นไม่ได้เพราะบางคนก็ไม่มีโอกาสที่จะอยู่ถึงเจ็ดสิบบางคนก็ตายในอายุสามสิบบางคนก็ตายใ น, ในอายุยี่สิบเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันต้องเตรียมตลอดเวลาเนียสอบรายวิชาชีวิตเนี่ย เต็มพร้อมตลอดเวลาเพราะไม่รู้ว่าธรรมชาตินี้เขาจะสอบเมื่อไหร่ในเวลาบางทีมันก็มาในช่วงเวลาที่เรานึกไม่ถึงนะช่วงเวลาที่เรากำลังแฮปปี้ช่วงเวลาที่เรามีความสุขช่วงเวลาที่เราอยู่ยากอย่างวันที่ยี่กธันวาสี่เจ็ดเนี่ยโอ้ อากาศดีมากเลยแถวพังงาภูกเก็ตเป็นวันอาทิตย์นะพ้นคริสต์มาสลมก็ดีฟ้าก็โปรง่งแต่พอสายๆนี่มันลรแตกเลยตายกันเบือ่ออาพัานคนไอ้เช้าวันที่สิบเ็ดกันยานะ มีสีสีก็เหมือนกันนะที่นิวยอร์กมีโอ้โกาสดีผู้คนก็มีความสุขสดชื่เนเบิกบานแต่สักพักนี้ก็อัยยนเกิดขึ้นคนตายก็สองสามพันคนแต่การตายของปัจเจกบุคคลก็ไม่ได้ต่างกันนะบางทีมันก็ตายแบบไม่คาดไม่ถึงเรื่องการเตรียมพร้อมรับมือความตายนี่ จำเป็นลแล้วการเรียนนี่มันมันคุ้มค่านะคุ้มค่าตรงที่ว่าหนึ่งไม่เสียเวลาได้ใช้แน่ไอ้ที่เราเรียนในโรงเรียนเนี่ยแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซนนี่ยไม่ได้ใช้นะเยี๋ยที่เรียกว่าคือครูไปแล้วคืออาจารย์ไปแล้ว เรียนวิศวะสี่ปีบางทีจบแล้วก็ไปทําธุรกิจเรียนสถา ป, าปัตย์หปีจบแล้วก็ไปเป็นศิลปินนักร้องบางคนแม้กระทั่งเรียนแพทย์หปีจบแล้วก็ไปเป็นช่งางภาอิสระก็าเาว่าเรียนแพทย์ตามพ่อแม่จบแล้วก็ขอเป็นช่งางภาพอิสระตามใจตัวเองบ้ เรียนภาษาอังกฤษมาสิบสองปีบางทีลืมหมดแล้วบางคนเรียนฝรั่งเศสหลายปีก็ไม่ได้ใช้แต่ว่าไอ้เตรียมตัวสอบรายวิชาชีวิตนี้ได้ใช้แน่เนี่ยฉัย้นเนี่ยก็คือว่าประการแรกมันมันมันไม่เสียเวลาประการที่สองมันให้ผลตอบแทนที่ที่คุ้มค่า ก็คือว่าถึงเวลาจะตายก็คนอื่เขาทุรนทุรายแต่ว่าเราอาจจะตายสมบได้ก่อนจะตายก็ไม่ได้ทรมานเรียกว่ายอมรับได้ถึงเวลาจะตายก็ตายด้วยความเต็มใจตายด้วยความพอใจในสัมน่าเหมือนกับคนมันก็ลูกจ้างที่ รอเวลารับคัดจ้างหรือรอเวลาเลิกงานอันนี้เป็นอุปมาภาษาริบุตรนภะาษาริบุตรท่านอุปมาว่าเนี่ยท่านไม่ได้อาลัยชีวิตไม่ติดใจไม่ยินดีในความตายท่านไม่อาลัยในชีวิตไม่ยินดีในความตายอยู่เหมือนลูกจ้างรอเวลาเลิกงานอีกที่นึ่งบอกว่าเนี่ยอยู่เหมือนลูกจ้างนระอรับคัดจ้าง นี่คือสภาพคนที่พร้อมตายแล้วก็เต็มใจที่จะตายเมื่อวันนั้นมาถึงเพราะฉะนั้นจึงจึงตายแบบสงบตายดีนัตมาแล้วก็เพื่อนๆหลายคนที่ทำงานช่วยเหลือผู้บริยไทยเนี่ย มีความเห็นนะคล้ายกันอย่างหนึ่งนะคือว่าความตายสงบเนี่ยมันเป็นสิทธิของเราทุกคนเป็นสิทธิเลยนะเราทุกคนมีสิทธิตายสงบไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพระเป็นแม่ชีหรือคาวาะไม่ว่าจะใกล้วัดหรือไกลวัดไม่ว่าจะเป็นนักภาวนาหรือไม่ใช่นักภาวนามีสิทธิตายสงบ ต่ว่าสิทธิที่นี่มันก็เช่นเดีวยวกับสิทธิ์อื่นๆนะั้นมันมาพร้อมกับหน้าที่ถ้าเราทําหน้าที่ดีเราก็ได้สิทธิอันนี้เวลาทํางานเราก็ทราบดีนะสิทธิพิเศษหลายอย่างก็เกิดจากการที่เราทําหน้าที่อย่างเสียสละอที่ตัวแข็งขันสิทธิที่ตายสงกบก็เช่นกันนะีมันมาพร้อมกับหน้าที่หน้าที่ต่อความตาย หน้าที่ต่อความตายนี่มันเริ่มตั้งแต่ว่ามีท่าทีที่ถูกต้องต่อความตายคือเห็นความตายเป็นหน้าที่ของเราความตายเป็นหน้าที่ของเรานะเราทุกคนมีหน้าที่ตายเราเกิดมาเพื่อจะตายอันนี้มันชัดเจนอยู่แล้วเรามีหน้าที่ตาย อันนี้เป็นหน้าที่ของทุกชีวิตเลยนะในธรรมชาติเนี่ยธรรมชาติรอบตัวเราที่สวยงามได้ก็เพราะว่ามันทุกชีวิตเนี่ยเขาถึงเวลาเขาก็ตายเขาทําหน้าที่นี้อย่างอย่างดีอย่างเพียบพร้อมตายแล้วก็กลายเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ให้ชีวิตอื่นได้เกิดขึ้น เหมือนกันที่สาต่นเขาตายเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่รอดคือตายเพื่อเป็นอาหารให้เราถ้าถึงเวลาเราก็ต้องตายนะตายเพื่อลูกพ่อแม่ก็ตายเพื่อลูกให้ลูกรับมรดกแทนพ่อแม่ถ้าลูกถ้าพ่อมแม่ไม่ตายนี่ลูกจะเอามรดกจากไหน ลูกงต้องเช่าบ้านหึ่งเรื่อยไปนะแต่ถ้าพ่อแม่ตายก็ได้บ้านของพ่อแม่เนี่ยมานะเป็นบ้านของตัวเองเอาศัยที่ดินของพ่อแม่มาใช้ทามาหากินต่อไปเรามามีอะไรตายเพื่อให้คนรุ่นหลังได้ได้ใช้โลงนีนะ้เพื่อประโยชน์พัฒนาตนเหมือนกับที่เราเคยได้ใช้ ทุกชีวิตในเซลในร่างกายเราก็เหมือนกันนะเขาทาหน้าที่ตายเราจะมีชีวิตได้อย่างปกติสุขจนถึงขณะ น, นี้ทุกชีวิตเนี่ยหมายถึงทุกเซลในร่างกายเราในร่างกายเราเนี่ยทุกวันเนี่ยจะมีเซลตายประมาณห้าหมื่นล้านล้านเซลเขาตายเพื่อให้เซลใหม่เกิดขึ้นเป็นเซลที่ดีกว่า ตายเองนะเขเรียกว่าบาทีเขาก็เรียกว่าค่าตัวตายเนียภาษาฝรัง่งเรียกว่า apoptosis นะคือมันมันก็ฮาราคีรีตัวอย่างนนะเพราะว่าเป็นเซลล์ที่เก่าเป็นเซลล์ที่ผิดพลาดเป็นเซลล์ที่ถ้าเติบใหญ่ต่อไปจะเป็นปัญหาก็ก็ดับชีวิตตัวเองแล้วก็เปิดทางให้เซลล์หใหม่ได้เกิดขึ้นเป็นเช่นนี้วันแล้ววันเล่า ชาเซไนไม่ทำหน้าที่นี้เราเดือดร้อนนะในวงการแพทย์ ม, มีเซลชนิดหนึ่งที่แพทตั้งชื่อหรือสมญาณน้ำาเซอร์อมตตมันไม่ยอมตายมันแบ่งตัวไปเรื่อยๆแบ่งตัวไปเรื่อยๆอเดาวออกนะ่นมันหมายถึงอะไรคือเซเมเรงเซลเมเรงคือเซ ล, เเซ ล, เเซลที่ไม่ยอมตายเราเลยตายแทน ม, มีพี่คนนึ่งนะที่อเมริกาเนี่ยเมื่อสักหกสิปีที่แล้วเนี่ยก็ <c oughs> เ, เป็นมะเร็งมดลูกแล้วก็บอเนี่ย <c oughs> ไปเก็บเนื้อเยื่อของเธอมาเนื้อเยื่อะมะเร็งเจงอความผิวดาแล้วก็เอามะเร็งเอาเนุ่ยเอาเนุ่เยอเอเนื้อมะเร็ ง, งเธอเนี่ยมาเลี้ยงในหลอดในในจานหลอดแก้วแล้วก็ขยายตัวไปเรื่อยๆขยายตัวไปเรื่อ ย, ยอมันไม่เคยตายเลย เอาลูกหลานของเนื้อเยื่อนี้ไปไปสืบขยายต่อเรีเลี้ยงลูกหลานก็ไม่ใช่นะก็คือเอาชิ้นส่วนเอาชิ้นส่วนของเนื้อเยอื่อเนี่ยไปไปเพาะเลี้ยงที่อื่นต่อมันก็โตโตโตขยายเรื่อยๆต้องแยกเอาไปเลี้ยงที่อื่นต่อ mm hmm. จนทุกวันนี้เนี่ยโรงยา บ, บาลสถาบันวิจัยนะ ของของเอกชนของร้านี้ก็รลดแล้วแต่มีเซลล์มะเร็งของเธอเนี่ยซึ่งการแพทย์เขตั้งชื่อว่าฮีลาตั้งชื่อตามตามชื่อเธอเนี่ยเป็นริกตันหลักมีคนประมาณว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้หกสิบปีเนี่ยเซลล์ของเธอที่แพร่ไปทั่วโลกเนี่ยเซลล์มะเร็งเนี่ยมันหนักเท่าไหร่รู้ไหมมีคนบอกว่าห้สิตันเนี่ไม่ใช่หรอก ห้าสิบล้านตันมนันไม่หอมตายเลยนะมาตายจริงๆทีนี้ล้าเซลไม่ทาหน้าที่งนั้นเราต้องตระหนักว่าเนี่ยถ้าเราจะมีสิทธิ์ตายสมบได้เนยอย่างแรกที่เราต้องตระหนักคือเราทุกคนหรือตัวเราเองเนี่ยมีหน้าที่ตายเมื่อถึงเวลาตายก็ต้องตายด้วยความเต็มใจ พอใจที่จะตายไม่ใช่ต่อสู้ขัดขืนหน้าที่ต่อความตายยางนี้คือการเตรียมตัวเตรียมตัวตายเราจะทำาานที่นี้ได้ดีีได้เราก็ต้องเตรียมตัวเตรียมตัวเมื่อถึงวเวลาตายก็ไม่บายเดีย้ยไม่หลีกเลี่ยง ทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดโดยการเตรียมตัวเสียแต่เนิ่นๆแลวเชื่อเลยนะว่าการตายของเราจะเป็นงานตายที่มดงามคนงามในทางธรรมนะรูปร่างอาจจะดะูไม่น่าดูเท่าไหร่เพราะว่าเป็นมะเร็งบ้างเบาหวานบ้าง ตยวายบ้างรูบ้บางทีอุบัติเหตุรูปร่างเนี่ยไม่งามศพไม่สวยนะแต่ว่าเป็นการตายที่งามได้เป็นการตายที่สงบแล้วก็สมผลให้จิตนี้ได้ไปดีที่เป็นโอกาสของเรานะเป็นโอกาสที่เราจะได้ตัดเตรียมตัวเอง การม า, มาเรียนรู้ในช่วงห้าวันทีนี้ก็เป็นส่วนของการเตรียมตัวเตรียมใจเป็นการพยายามทําหน้าที่เราไม่มีหน้าที่อยู่เท่านั้นเรามีหน้าที่ตายด้วยอย่าลืมนะคนไปคิดว่าเรามีหน้าที่อยู่อย่างเดียวทำงานก็ได้เพื่อมันอยู่รอด ทำไงก็ได้เพื่อมันอยู่ดีอันนี้ไม่ถูกนะมันหรือมันไม่พอนะตอนมีหน้าที่ตายด้วยเพราะนะนั่นทำทำยังไงก็ได้เพื่อให้เราตายได้อย่างสงบทํายังไงก็ได้เพื่อเราตายโดยไม่ทุรนทุรายทําทุกอย่างเพื่อเราเนี่ยเมื่อถึงเวลาเราเต็มใจที่จะตาย เราพอใจที่จะตายไม่ใช่ไม่ใช่เป็นความเต็มใจหรือพอใจอย่างคนที่เขาคิดจะฆ่าตัวตายแต่ น, นั้นไม่เรียกว่าเต็มใจและพอใจที่จะตายถ้าเต็มใจและพอใจที่จะตา ย, ยคือพร้อมรับความตายที่ใจสมบไม่มีความ กลุ่มไม่มีความน้อยเนื้อต่ำใจไม่ได้รังเกียจชีวิตอย่างที่พระเสร็มบุบอกว่าเนี่ยก็เราไม่ได้ยินดีในไม่ได้อะไรในชีวิตนะหรือว่าไม่ได้ยินดีความตาย ไม่ได้หวงแหนชีวิตแล้วก็ไม่ได้รังเกียจมันด้วยแต่ถึงเวลาก็พร้อมตายถ้าต้อมาช่วยนี่อันนี้เป็นวางขวัญอย่างหนึ่งนะที่เราจะมอบให้กับตัวเองเพราะว่าการตายอย่างสงบนี่มันไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะทำได้ไม่ใช่ว่ารวยแล้วจะทำได้ไม่ใช่ว่ายิ่งใหญ่แล้วจะทำได้มีเงินร้อยล้านพันล้านก็ แลกกับการตายสงบไมได้ <c oughs> เพราะมันไม่เกี่ยวกันถ้าเราอยู่ดีแล้วตายดีนี่ <c oughs> คือชีวิตเราเนี่ยสมบูรณ์การตายดีเนี่ยจึงเป็นเหมือนของขวัญที่เรามอบให้กับตัวเองแล้วก็มอบให้กับคนรักด้วยนะถ้าลูกหลานเขาหรือคนรักเราเห็นเราตายดีตายสงบ ก็ยอมรับความต่ายของเราได้เจ็บปวดเศร้าโศกน้อยลงหรืออาจจะ ด, บดบีบางคนก็มีหลายคนนะที่เห็นเมื่อเห็นคนรักตัวเองตายสงบเขาก็ยิ้มทางน้ําตาการตายส่งของเรานี่มันก็สามารถจะทําให้คนรักของเราเนี่ยยิ้มทางน้ําตาได้เขาเสียใจนะก็จึงมี น้ำตาไหลแต่เขาก็ดีใจที่เราไปสงบมันเป็นของขวัญทั้งของเราแล้วก็ของคนที่เรารักด้วยเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราได้ตั้งใจได้ทำความเพียร น, นะเชตแต่วันนี้แล้วก็พอสมควรแก่เวลานะพอติดอานะการปารถทำเชา้านี้เป็นเท่านี้